มาจากที่ไหนกรุงเทพฯค่ะเคยมาหรือเปล่าไม่เคยไม่เคยเลยค่ะูาจากที่ไดไงถามเพื่อนดีค่ะอ๋อมีผ้าจานที่เป็นลูกศิษย์ของศรีหลวงพ่อชาบังทีมาพักที่กรุงเทพฯปะขาแล้ว พวกโยมมีโอกาสได้ไปใส่บาทแล้วก็้องทแท่านอาจารย์เล่าให้ฟังว่ามากมาพักกับท่านอาจารย์สุชาติอะไยวันนี้ไม่ถือโอกาสมาฝากเป็นชาวต่างประเทศค่ะอพราะก็หลอนใช่ปะชาแคนาดาป่อค่ะชาวแคนาดาแล้วแคนาดาใช่ไหแคนาดามีหลายชาตมีไรายงไม่แน่ใจว่าเ่ารุ่งไหนบ้างมีแคนาดาแล้วมีมีโปแลนด์หมคะ คีเดี๋ยวแล้วล่าสุดนี่ค่ะชาโปโลแลนด์ โ, นโปโลแลนด์จะชื่อท่านโกทันโยค่แะแคนาดาไม่ชท่านผู้ที่สารโรหรอคะไม่ใช่ชท่านเซอะไรเซรลลาลโกลอะไรเนี่ย อ, อันนี้ท่านกลับไปจำภาษาที่แคนดาดาวีลาธมูปะคะไม่ใ ช, ไใช่ไม่ใช่หลเง้าวีลาเซเลสิลาโกลละอะไรเนี่ยเคยมาพักนานหน่อย พระปูแลนก็มาพักอยู่เชื่อขา่าวที่ที่ที่ไปสายบาดนั่นอยู่ตรงไหนอยู่แถวราชพราชน่ไหมอยู่สุขมวิทใช่สุขมวิทธรรมรานค่ะที่ธรรมรานเขาคุณวันนี้ร่ำสั่นใช่อืมจำได้เคยมีโยมส่งพระไปอชาวปูแลนใช่ท่านองค์นี้ท่า น, นชอบเดิน เท่านเดินมาจากเมืองชนใช่ค่ะเอแล้วขาวกลับท่านก็การจะเดินไปเรื่อยๆบางปีมีญาติโยมที่ใส่บาตรเขาเมตตาเขาเหมารถไปส่งให้เหมารถไปส่งถึงที่สุขุมวิทเลยท่านบอกท่านจะไปที่สุขุมวิท เขาเป็นชาวต่างประเทศอยู่ใกลจากพระพุทธศาสนาเขายังสนใจที่ปฏิบัติมากกบพวกเราพวกเราอยู่ใกล้แต่เราลับไม่สนใจเพราะเราไม่ได้ศึกษาอย่างจริงจังถ้าเราศึกษาอย่างจริงจังแนละ้วมันจะเกิดศรัทธาเกดศรัทธาที่อยากจะปฏิบัติ เขาอยู่ต่างประเทศเขาไม่มีสถานที่ปฏิบัติคือที่อาจจะมีแต่เขาขาดาชาวพุทธที่จะสนับสนุนเขาไม่มีคนใส่บาตรไม่มียาณโยมที่จะอุปถรรัมภะทาซื้อที่สร้างกุฏิแล้วเขาไม่มีธรรมเนียมบิณฑบาทครับ างประเทศเขาถือว่าเป็นขอทานซึ่งเขาไม่ต้องการจะส่งเสริมเขาไม่เข้าใจหลักของการบินทบาตเพราะเป็นการโปรดสัตว์โปรดสัตว์ก็คือให้ญาติโยมที่ไม่มีโอกาสได้ทำบุญได้มีโอกาสทำบุญกับพระ ทำกับบุคคลที่เปรฐคำว่าพระก็คือผู้เปรฐทำบุญกับผู้ประเสรฐเพราะจะทำให้เขาได้รับความประเสรฐจากพระด้วยสิ่งที่เขาได้รับก็คือธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เป็นสิ่งที่มีคุณประโยชน์มีคุณค่า เป็นสิ่งที่ประเสริญยิ่งกว่าสิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนี้กด้ยินได้ฟังทมก็จะทำให้เกิดความสุขเกิดปัญญาทำให้จิตใจที่เศร้าหมองนั้นหายเศร้าหมองได้ทำให้จิตใจที่มีความทุกข์หายทุกข์ไดอ้อันนี้คือเรื่องของบิณฑบาต ท่านไม่ได้ไปเคาะประตูไปรบกวนใครการบินาบาทก็ท่านถือบาทแล้วก็เดินไปในละแวกบ้านใครมีศรัทธาก็ออกมาใส่ใครไม่มีศรัทธาก็ไม่เป็นปัญหาอะไรไม่ไปรบกวนใครไม่เหมือนขอทานที่อาจจะไปเคาะประตูบ้านเคาะอยู่นั่นจนคนกำคาญไล่ ก, ก็ไม่ไป อย่างนี้มันก็เป็นขอทานถ้าไม่ได้ไปขอท่าน ป, ประโตกสัตท์เพื่อประทังชีพของท่านด้วยอันนี้เป็นวิธีการเลี้ยงชีพของของนักบวชที่ที่ถูกต้องเป็นสัมมาชีพนักบวชก็ต้องเลี้ยงชีพเลี้ยงปากท้องด้วยตนเอง วิธีเลี้ยงเทปเลี้งชีพที่ดีที่สุดก็คือการบินธบาติเพราะท่านสามารถที่จะเจริญสติเจริญธรรมไปในขณะที่บินธบาติด้วยไม่เสียเวลาถ้าต้องไปทํามาเลี้ยงชีพแบบยากิโยมอันนี้จะเจริญสติได้ยากเจริญธรรมได้ยากเพราะใจต้องคิดเรื่องการ หาเงินหาทองแต่การกินบานนี้ก็เพียงแต่เดินไปไม่ให้เตะก้อนหินไม่ให้เดินหกลม้มไม่ให้เดินชนต้นไม้หรือชนเสาก็มีสติจะรินสติก็ได้ใจก็ไม่ต้องคิดว่าจะหาเงินอย่างไรจะไปลงทุนที่ไหนดีจะซื้อหุ้นขายหุ้นตัวไหนดีไม่ต้องใช้ความคิดมาก นั้นการที่ได้ทำบุญกับพระที่ปฏิบัติก็จะได้รับประโยชน์เพราะจะได้รู้จักกันเมื่อมีปัญหาก็ถามได้เมื่ออยากจะรู้ว่ า, ารู้ก็คำสอนของพระเจ้ามีอะไรบ้างเพราะสมัยก่อนนั้นต้องอาศัยการพูดจา ก, กันเรียนรู้จกากปากต่อปาก สมัยก่อนการศึกษาไม่แพร่หลายคนส่วนใหญ่จะอ่านออกเขียนไม่ได้จะต้องอาศัยผู้ที่อ่านออกเขียนได้มาบอกมาสอนสมัยปัจจุบันนี้การศึกษาธรรมะนี่มันง่ายกว่าสมัยอดีตไม่ต้องรอให้พระมาเทศมาสั่งมาสอน เพราะว่ามีการบันทึกคำสอนไว้มากมายในหนังสือต่างๆในสื่อต่างๆเพียงแต่ขอให้ศึกษาเท่านั้นถ้าศึกษาแล้วมันจะเกิดศรัทธาขึ้นมาอาตอมาก็ไม่ใช่เป็นคนพุทธสมัยเกิดมาไม่ได้อยู่บ้านของชาวพุทธคนจีน จีนเขาก็เป็นคนจีนที่ไม่เชื่อาศาสนาไม่เชื่อทุกาศาสนาเน่ไม่ไวาเจ้าไม่อะไรทั้งนั้นคือเชื่อในหลักของการทำรรมาหากินพึ่งตัวเองไม่ได้พึ่งพระเจ้าพึ่งไทยเนื้ก็เลยไม่ได้มีความสนใจที่จะไปวัด ใช่ไเด็กๆเคยไปวัดแค่สองสามครั้งเพราะเรียนโรงเรียนโรงเรียนตอนต้นเรียนโรงเรียนไทยโรงเรียนตะวันพระก็พาเด็กเข้าวัดไปไหว้พระไปฟังเทศอยากเรียนได้ปีเดียวปหนึ่งพอปสองย้าเป็นคนจีนก็อยากให้เรียนโรงเรียนจีนก็เลยย้ายไปเรียนโรงเรียนจีนก็เลยไม่ได้เข้าวัดพอเรียนจบ จสามพ่อก็อยากให้มาเรียนโรงเรียนฝรั่งก็ย้ายโรงเรียนฝรั่งโรงเรียนคริสก็มาเรียนปีหนึ่งใหม่ปหนึ่งใหม่เรียนปหนึ่งสามผลเรียนคริสก็ไม่มีศาสนาพุทธเขาก็สอนเรื่องพระเจ้าสร้างโลกเรื่องพระเยซูเป็นลูกของพระพุทธเจ้าที่พระเจ้าส่งมามาถ่ายบาปให้กับสัตว์โลก ายึพระเยซูเป็นเป็นสารณะเป็นที่พึ่งพระเยซูก็จะช่วยถ่ายบาปที่เรามีกันให้หมดไปแล้วในอนาคตข้างหน้าพระเยซูจะกลับมาจากสวรรค์จะลงมาจากสวรรค์มารับพวกลูกศิษย์ของพระเยซูกลับไปขึ้นไปสวรรค์โลกที่ไม่ ไม่เชื่อพระเยซูไม่ศรัทธาไม่นับถือพระเยซูไม่ทำตามคำสอนของพระเยซูก็จะถูกไฟร่างโลกเผาตายอย่างน้เขาจิงนี้ไม่นิยมเผาร่างกายเขานิยมฝังเพราะว่าต่อไปเขาจะต้องเปิดสุดสารเปิดฟ้าลงแล้วพวกที่ถูกฝังก็จะฟื้นชีพขึ้นมา ไปสวรรค์กับพระเยซูแต่มีข้อแม้ก่อนที่พระเยซูจะมารับพวกลูกศิษย์ลูกหาไปสวรรค์ได้พวกลูกศิษย์ลูกหาชาวคริสต์นี้ต้องมีหน้าที่เอาคําสอนไปของพระเยซูไปเผยแผ่ให้กับสัตว์โลกให้กับคนที่อยู่ในโลกนี้ให้ทั่วถึงก่อน พวกชาวคริสต์ก็เลยต้องมาประเทศที่ไม่มีศาสนาคริสเพื่อจะได้มาสอนคำสอนมาบอกให้ว่ามีพระเยซูมามาเป็นผู้ไถ่าบาปให้ถ้าอยากจะไปสวรรค์ต้องถือพระเยซูเป็นสนารณะก็เลยมีชาวคริสต์เข้ามาตั้งศาสนาอะไรต่างๆมากมาย เพื่อที่จะทำตามเงื่อนไขของพระเยซูว่าจะกลับมารับพวกเขากลับไปสวรรค์ต่อเมื่อเขาได้บอกข่าวนี้ให้แก่คนที่อยู่ในโลกนี้เขาจึงต้องไปตามประเทศที่ไม่มีศาสนาคริไปแอฟริกาใต้ไปแอฟริกาไปที่ไหนที่แล้วเข้าไปลึกอย่างเมืองไทยนี่เขาเข้าไปตามป่าตามเขาไปสอนพวกกะเลงพวกแมวพวก ชาวเขาต่างๆเพราะถ้าพวกนี้ไม่รู้เดี๋ยวพระเยซูก็ลงมารับไปสวรรค์ไม่ได้คนทุกคนในโลกนี้ต้องรู้เรื่องของพระเยซูก่อนแล้วถึงจะ ม, มีทางเลือกว่าจะเลือกจะรับพระเยซูเป็นผู้ไถ่บาปให้เขาหรือไม่ถ้าทุกคนรู้หมดแล้วเวลานั้นพระเยซูจะลงมาจากสวรรค์ แล้วมันจะมีโอกาสที่จะรู้หมดเมื่อไหร่มันก็มีเกิดใหม่ขึ้นมาอยู่เรื่อยๆศาสนาคริสต์เขามีหน้าที่อย่างก็เรียกว่ามิชชันนารีมิชชันแปลว่าหน้าหน้าที่การงานมิชชันนารีก็เป็นผู้ทำหน้าที่การงานที่พระเยซูมอบหมายไว้ เขาก็จะสอนให้เชื่อเราก็เกือบจะเชื่อแต่ไม่ได้เชื่อเพราะว่าเชื่อจริงเชื่อเพราะว่าเรียนโรงเรียนคริสต์นี้ถ้ารักถือาศาสนาคริสต์ <c oughs> เขาจะลดค่าเราเรียนให้ก็อะ้รก็ดีเหมือนกันเลยว่ะถ้าเชื่อแล้วเสียค่าเราเรียนน้อยหน่อยแต่พอถึงเวลาที่เขาคือตอนต้นต้องสมัครก่อนต้อง ต้องสมัครเรียนก่อนว่าจะเรียนจะเป็นคริสแล้วพอถึงเวลาจะต้องทำพิธีเขาจะให้เราไปล้างบาปไปลงน้ำไปแบบทายเขาก็ถามว่าพร้อมหรือยังแล้วก็สองจิตสองใจที่เกียจโกของเราไม่พร้อมหรอกว่าถามเรามาทำไมก็อบอกมันมันเป็นไปไม่ได้หรอที่คนคนเดียวจะมาถ่ายบาปให้คนทั้งโลกคนไม่เกี่ยวกัน ใครทําบาปเพื่อมันมันฝังอยู่ในใจว่ามันกรรมใครกรรมมันใช่ไหมโยมทําบาปโยมทําบาทปทําผิดกฎหมายไปติดคุกอาตมาไปถ่ายออกจากคุกได้ไหมไม่ได้หรอกนะแล้วก็พระเจ้าสร้างโลกภายในเจ็ดวันนี้ก็อีกอย่างฟังแล้วมันเขาก็พิสูจน์ไม่ได้เขาก็ให้เชื่อยอย่างเดียว อะไรวะเราไม่เชื่อเชื่อก็จบกันถ้าหังเขาก็เจอคำสอนแบบนี้เราก็มาอ่านคำสอนอพระพุทธเจ้าโอ้มันมันพิสูจน์ได้คำสอนพระพุทธเจ้าพิสูจน์สันติโกอาการิโกไม่ขึ้นกับการกับเวลา คำสอนพระเจ้ามีตั้งสองพันห้าร้อกว่าปีมาแล้วปัจจุบันนี้ก็ยังสามารถพิสูจน์ได้เพราะอ่านแล้วก็เลยเราก็เนี่ยไม่เชื่อศาสนามาใจกระทั่งวันหนึ่งได้หนังสือพุทธศาสนามาอ่านเน่นถึงจะเข้าใจคำสอนพระเจ้าแล้วมันตรงกับทัศน์ความเห็นของเราคือเราเห็นว่าทุกคนเกิดมาต้องตาย เห็นมาตั้งแต่เด็กเห็นมาตั้งแต่ตอนอายุสิบสองสิบสามขวบตอนนั้นมีเพื่อนที่โรงเรียนตายไ่นคนนึงไปงานศพเขาเขาเป็นคริสเขาก็มีศพแบบเปิดนอนอยู่ในโรงสวยๆแต่งกายสวยใส่สู่ใจอะไรแต่หน้าตามันแบบจืดชืดก็ดูแล้วมันก็คิดไปในใจว่าออต่อไปแล้วก็ต้องเป็นเหมือนเขานะ เราไปพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายคนที่เรารัก เ, เราเคารพก็ต้องไปอย่างนี้เหมือนกันมันก็คิดมาอ่านี้บางตลาดมันก็เตรียมตัวเตรียมใจเรารับกับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นเวลาใครตายมันก็เลยไม่ค่อยจะเศร้าโศกเสียใจหรือหวาดกลัวเลยมันเป็นเรื่องธรรมดาแล้วพอได้มาอ่านหนังสือธรรมะที่สอนเกี่ยวกับอนิจจังทุกขังอนัตตา มันถึงเข้าใจอ๋อเราทุกกันเพราะว่าเราอยากให้มันไม่เป็นอ น, นิจจังกันเราอยากจะให้มันเป็นนิจจังอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายกันพอต้องเจอความแก่มันก็ทุกแต่วิะเาบอกว่ามีวิธีที่ทำให้เราไม่ต้องทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายให้เราปฏิบัติทำให้เจริญสมาธิเจริญปัญญาแล้วเราจะเข้าใจ ว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราเราทุกข์เพราะเราไปหลงเชื่อว่าเป็นตัวเราแล้วก็ไปยึดไปติดไปอยากให้มันอยู่กับเราไปเรื่อยๆอันนี้ก็เลยได้แนวทางของการปฏิบัติก็เลยดีใจว่าโอ้นะต่อไปเราไม่ต้องทุกข์คือเมื่อก่อนก็ถึงแม้จะรู้ว่าจะต้องตายจากกันมันก็มันก็ยังเสียใจอยู่แต่ไม่ถึงกับต้องร้องห่มร้องไห้เลย แต่มั น, ม, นมันรู้ว่าต้องเกิดยอมรับแต่ก็ยังยังยังเสียใจอยู่พอรู้ว่าต่อไปนี้เราไม่ต้องเสียใจไม่ต้องทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายถ้าเราฝึกใจได้ทําใจให้สงบได้พิจารณาอยู่เรื่อยๆสอนใจอยู่เรื่อยๆว่าทุกอย่างไม่เที่ยงถ้าไปยึดไปติดไปอยากก็จะทุกข์ ถ้าอยากให้เที่ยงก็จะทุกข์อยากจะให้อยู่กับเราเป็นของเราไปเรื่อยๆก็จะทุกข์เอเลยรู้ว่าต้องปฏิบัติเพราะถ้าไม่ปฏิบัติมันก็ยังทุกข์อยู่เอาเลยได้หนังสือเข็ยนหนังสือเข็ยไปคอหนังสือมาอ่านเพิ่มหาหนันหนงสือที่สอนวิธีปฏิบัติเขาก็แนะนําื อ, อสติปัฏฐานสี่นี่ เป็นคู่มือของการปฏิบัติที่จะฝึกจิตให้ปล่อยวางได้สติปัญญานนี้สอนทั้งสติสอนทั้งสมาธิสอนทั้งปัญญามีอยู่ใ น, ในสติปัญญานสูตรให้มีสติอยู่กับร่างกายตลอดเวลาร่างกายเคลื่อนไหวทําอะไรให้อยู่กับการเคลื่อนไหวการกระทําของร่างกาย อย่าไปคิดเรื่องอื่นในขณะที่ร่างกายกำลังทำสิ่งต่างๆกำลังรับประทานอาหารก็อยู่กับการรับประทานอาหารกำลังเดินก็อยู่กับการเดินกำลังอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันหวีผ้าหวีผมแต่งเนื้อแต่งตัวก็ให้อยู่กับกิจกรรมต่างๆที่ทำใ้จิตอยู่กับร่างกายและเวลาว่างก็มานั่งสมาธิก็ให้ดูลมหายใจ ใจไม่ลอยไปเรื่องอื่นอยู่กับลมหายใจใจก็รวมเข้าสู่ความสงบชัดมากมันพิสูจน์ได้ใครนั่งสมาธิแล้วใจสงบปั๊บเนีน่จะเชื่อเลยว่ า, าคำสอมเจเจ้ า, านี้เป็นสวาก ข, ขาโตพระวตาธรรมโม ม, มันทมที่ตัดไว้ชอบถูกต้องตามความจริงพิสูจน์ได้ไม่เหมือนกับเรื่องพระเจ้าสร้างโลกเจ็ดวัน ทำงางจนวันตายก็ไม่มีสามารถที่จะพิสูจน์ได้ทพิสูจนว่าพระเยซูมาถ่ายบาปนี่ยทํางานก็พิสูจน์ไม่ได้ก็เลยพอได้ปฏิบัติแล้วมันก็เราอยากจะปฏิบัติให้มันไปให้มันสุดเลยทางนี้มันไปถึงไหนเพราะมันรู้สึกว่ามันจะสุขมากขึ้นไปเรื่อยๆทุกมันจะน้อยลงไปเรื่อยๆ ตอนต้นก็คิดว่าปฏิบัติแบบเป็นคาราวาสก็น่าจะพอแตม่มันมีเหตุจำเป็นที่ต้องบวชเพราะเงินไม่มีไม่มีเงินจ่ายค่าอาหารถ้าอยู่เป็นคาราวาสมันก็ต้องไปทำงานทำงานมันก็ไม่มีเวลาปฏิบตัติแต่อยากจะปฏิบัติเต็มที่ก็ต้องบวช เราจะได้ปฏิบัติเต็มที่เวลาบวชก็ต้องไปหาวัดที่เป็นวัดปฏิบัติเพราะวัดที่อยู่ใกล้บ้านมันไม่มีวัดปฏิบัติมีแต่วัดเรียนกับวัดพิธีกรรมงานบวชต่างๆงานสวดต่างๆงานสวดศพงานสวดขึ้นบ้านใหม่งานแต่งงานงานอะไร ต, ะต่างๆไม่ได้งานสวด เพอไม่มีพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้ไปสวดเองสอนให้สวดเพื่อทำใจให้สงบให้อยู่คนเดียวสวดคนเดียวไม่ใช่ไปสวดให้คนนั้นคนนี้เขาสวดก็ไม่ได้ให้อะไรเขาหรอกเขาไม่ได้อะไจากการสวดของเราหรอกเขาได้บุญตรงที่เขาให้เงินเรานั่นแหละถ้า ไ, ไปสวดเฉยๆแล้วไม่ได้ให้บุญให้เงินเขาก็ไม่เขาก็ไม่ได้บุญ พราะเขาไม่ฟังพระสวดกันเวลาไปนิมนต์ไปงานบ้านส่วดนี่ญาติโยมก็ไปนั่งคุยกันไปต้อนรับแขกกันกลุ่มหนึ่งก็อยู่ในครัวทำกับข้าวโ่วงป่างโ่วงป่า ง, ง, งกลุ่มหนึ่งก็ไปรั บ, รบแขกรับคนขอให้คนแก่สองสามคนมานั่งฟังพระสวดาการฟังสวดก็เหมือนกับการฝึกจิตให้เป็นสมาธินั่นเอง นั่งตั้งใจฟังเสียงสวดมนต์ไปเหมือนฟังธรรมมันก็ทําให้ใจสงบเป็นสมาธิได้แต่เขาไม่ฟังกันก็เราไม่รู้รับเคยไปเก็บนิมนตก็เลยไม่ไปเห็นไปแล้วมันมันไม่เกิดประโยชน์เสียเวลาทั้งคนไปแล้วคนอยู่คนนิมนต์ก็ไม่ได้ประโยชน์เลยพอสวดเสร็จปั๊บก็เอาหารมาประเคนปับ๊บฉันเสร็จปั๊บก็นิมนต์ขึ้นรถกลับวัน ธรรมะสักคำก็ไม่ถามไม่คุยกันเนี่ยเมืองไทยเราอยู่ใกล้เกือกไปกินดา่างไม่เอาแก่นเอาเปลือกของศาสน า, ศาแก่นไม่เอากันไม่ยอมศึกษากันความจริงพุทธศาสนิกชนนี้อย่างน้อยควรจะรู้จกัก อ, อย่างน้อยควรจะเรียนสูรนักทมตีโทเองนะ อย่างา น, น, น, น้อยนักคำเตียนีนี่ก็จะสอนคำสอนของพระเจ้าเช่นมรรคแปดอริยาาสัจสี่ไตรลักษณ์อิธิบาทสีมงคลลสูตรอะไรต่างๆนี่นแต่ไม่เรียนกันฝรั่งนี่ก็ค้นหาหนังสือในพระไตรปิฎกอ่านกัน นจนกระทั่งเขาจับประเด็นได้ว่าต้องทำอะไรบ้างเขาก็ทำพอทำก็ได้ผลก็อยากจะทำมากที่ที่บ้านเขาไม่มีวัดปฏิบัติไม่มีธรรมเนียมบิณฑบาตไม่มีวัดปา่าพลังส่วนใหญ่ถ้าเขาได้ศึกษาแล้วเขา็จะสนใจวัดปา่าธรรมเนียมของวัดปา่า ภาษาอังกฤษก็เรียกว่า forest tradition สายปาจานมันนี่แหละเป็นสายอินเตอร์สายน า, นานาชาติทั้งๆที่ท่านพูดภาษาฝรั่งไม่เป็นแต่พรังชาวต่างชาติหลากหลายภาษาหลายชาติหลายภาษากลับมาเรียนมาศึกษา ต้องเรียนภาษาไทยก็มาเรียนกันมาหัดเรียนภาษาไทยเพจะได้เข้าใจคำสอนพวกเราเรียนรู้ภาษาไทยมีประโยชน์กับภาษาไทยกับแม่กับไปเรียนภาษาฝรั่งกันเพื่อจะไปเรียนความรู้ที่ทําให้เราติดกับการเวียนว่ายตายเกิดกันความรู้ที่จะทําให้เรารวยขึ้นมากๆขึ้นจรลาในราบยศจะร่เสริญกันแต่เขากลับมาเรียนภาษาไทย เพื่อที่จะได้มาเรียนความนี้ที่จะทำให้เขาได้หลุดออกจากการเวียนว่ายตายเกิดกันภาษาไทยนี้จึงเป็นภาษาที่วิเศษกว่าภาษาต่างประเทศนเะชื่อไหมแต่เพียงแต่เราไม่รู้จักใช้มันให้เป็นประโยชน์นะไม่เอาภาษาไทยนี้มาอ่านธรรมะกันหนังสือธรรมะนี้ส่วนใหญ่ก็เป็นภาษาไทยเทศก็เป็นภาษาไทย เราต่างประเทศนี่ก็ต้องมาเรียนภาษาไทยก็จะได้เรียนธรรมะกันถึงแม้ว่าจะมีแปลเป็นภาษาอังกฤษภาษาต่างๆเป็นมาจากพระไตยปิฎกแปลมาจากพระไตยปิฎกหนังสือที่แปลในพระไตยปิฎกนี้มันก็สู้หนังสือของครูบาอาจารย์ไดนะ้ของครูปยาบะของครูบาอาจารย์นี้มีลูกเล่นเยอะกว่ามีรายละเอียดมากกว่า ในพระตา่าปโตนี้ท่านจะสอนเป็นแบบกลางๆไม่เจาะลึกการปฏิบัตินี้มันต้องเจาะลึกปฏิบัติไปนี้มันจะต้อพิกแพง ม, มีบายต่างกันแต่ละคนอาจจะต้องใช้วิธีแตกต่างกันอย่างการจเจริญสมาธินี่มีตั้งสี่สิบวิธีนั่นที่อ่านก็ไม่เข้าใจว่าทําไมต้องมีมากมาย แต่คนปฏิบัติไปก็จะรู้ว่าเจริญของคนเราไม่เหมือนกันเหมือนอาหารเนาทำไมต้องมีอาหารมากมายหลากหลายทำไมไม่กินอย่างเดียวกันหมดทุกคนว่าะเจริญคนไม่เหมือนกันเนี่ยคนบางคนก็ชอบกินอาหารญี่ปุ่นอาหารจีนอาหารไทยแล้วก็เปลี่ยนสักครู่ก็เบือ่ออาหารนี้ก็เปลี่ยนไปอย่างนั้นเปลี่ยนไปเปลี่ยนมา การภาวนาทำใจให้สงบก็มีหลากหลายวิธีใช้พุตโทก็ได้ยุบหนอพองหนอก็ได้ใช้การสวดมนต์ก็ได้ใช้อนาปนานสติก็ได้ใช้มรณานณสติก็ได้ใช้กายะตาสติคือการดูร่างกายก็ได้ต้องศึกษาแล้วต้องปฏิบัติถึงจะรู้ว่ามัน สามารถใช้แบบไหนก็ได้ถ้ามันถูกกับเราพวกเราถือว่าใกล้เกลือกินด่างเกลือมีคุณค่าก็าด่างแต่ชอบไปหาด่างมากินหนึง่งแทนที่จะเข้าหาพระพุทธศาสนาก็ไปหาราบยศสรรเสริมหนึ่งไปหาเงินหาทอง หานะความสุขทางตาหูจมูกลิ้นตายที่เป็นความสุขปลอมเพราะสุขเดียวเดียวสุขตอนที่ได้เหตุได้สัมผัสพอผ่านไปแล้วก็หายไปหมดเหมือนควันไฟควันไฟนี่มันอยู่เดียวเดียวแล้วเดี๋ยวมันก็จางหายไปหมดแต่ความสุขทางใจนี่มันจะอยู่กับใจไม่หายไปง่ายๆ อันนี้ก็ยังมีชาวต่างประเทศมาอยู่เรื่อยๆเดี๋ยวนี้เขาเริ่มรู้จักที่นี่มากขึ้นแล้วนี่ก็มีมาถึงจากประเทศบราซิลก็ม า, มาสามคนแต่ยังไม่ได้บวชเป็นพระขาวคนหนึ่งมาสามหลืออยู่คนอีกสองคนไปแล้ะคนหนึ่งอยากจะไปบวชที่ศรีรังกาอีกค น, นยังยังไม่สนใจมากแต่อีกคนที่อยู่นี้สนใจอยากจะอยากจะบวช ขณ อ, อยู่ถึงประเทศบราซิลก็ยังรู้จักประเทศไทยอย่างนี้รู้จักสายวัดป่าดีไม่ดีรู้ดีกว่าคนไทยต้องฝ่ายรู้ฝ่ายศึกษาต้องสนใจ ยังไม่สายเกินไปนะตราบใดที่ยังมีลมหายใจอยู่นี่ยังถือว่าไม่สายเกินไปมาศึกษาแล้วนําเอาไปปฏิบัติปฏิบัติแล้วผลมันจะต้องเกิดเพราะผลมันเกิดจากการปฏิบัติสุปฏิปันโน สามีสปฏิปันโนอุจุปฏิปันโนญายาปฏิปันโ น, ยาย น, โนสามีจิปฏิปันโนก็จะมีอัตต า, า, าุลิสสะปุฆลาบุคคล8ประเภท8ชนิดนะคือผลที่จะได้รับคือมรรคสี่ผลสเป็น8อริยมรรคโสดาปฏิมรรคโสดาปฏิผล หรือว่าเป็นเป็นสองบุคคลตอนต้นก็เป็นมร ก, ก่อนแล้วพอมรักแล้วก็จะได้ผลแล้วก็ขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงอารหัตมรักอารหัตผลเกิดจากการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไม่ได้เกิดจากการเป็นพระหร่เป็นครารวะเป็นพระถ้าไม่ปฏิบัติก็ไม่ได้ผลเป็นครารวะแต่ปฏิบัติก็จะได้ผล เป็นหญิงหรือเป็นชายก็ไม่สําคัญเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่ก็ไม่สําคัญเป็นได้หมดถ้าปฏิบัติแล้วเป็นได้ดพระอริยบคนนุคคลนี้เราอาจจะเข้าใจผิดที่ว่าพระอริยสงฆ์คือพระสงฆ์ที่บวชนหัวหดผ้าเหลืองอันนี้ไม่ใช่พระอริยสงฆ์อันนี้เรียกว่าพระสงฆ์สมมุติสมมุติติสงฆ์คือเป็นผู้ที่ โนศีรษะหมผ้าเหลืองแล้วก็ปฏิบัติตามคําสองท่านเจ้าถ้าปฏิบัติสุ ป, ปฏิปันโนก็จะได้เป็นพระอริยสงฆ์ถ้าไม่ได้ปฏิบัติก็เป็นแค่สมมุติสงฆ์อริยสงฆ์จึงไม่ได้มีแต่มีแต่นักบวชเท่านั้นมีบุคคลทุกประเภทบุคคลใดที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ก็จะบรรลุมรรคผลนิพพานได้ในสมัยพระพุทธการหแม้แต่สมัยนี้ก็มีบุคคลจากหลายเพศหลายหลายชนิดด้วยกันหญิงก็มีชายก็มีเป็นนักบวชก็มีเป็นคารวะก็มีเป็นเด็กก็มีเป็นผู้ใหญ่ก็มีเพราะจิตไม่มีเพศไม่มีวัยไม่มีอายุ เพียงแต่มาได้ร่างกายที่เรานับเรานับตามอายุกันแต่จิตของพวกเรานี่อายุเท่ากันหมดมีอายุเป็นกับแล้วเกิดแก่เจ็บตายเปลี่ยนร่างกายมานี้ไม่รู้กี่แสนล่างกี่ล้านล่างแล้วผ่านอะไรมาอย่างโชคโชนหมดแล้ว ชาติก่อนๆคยปฏิบัติธรรมคยทําบุญคยทําบาปกันมาอย่างมากมายเลยนะคนบางคนพราามาบวชมามามาเกิดบางทีก็ก็ไปเร็วกว่าคนบางคนเพราะว่าได้ทํามามากแล้วคนบางคนมาเกิดปั๊บมาบวชได้เลยบวชตั้งแต่เป็นเลนก็มีหลวงปู่มั่นไม่บวชตั้งแต่เป็นเลนบวชแล้วก็ ปฏิบัติสมาธิปัญญากันบรรลุกันบางคนก็ต้องมาเริ่มใหม่มาทำทานกันมารักษาสีกันก่อนถึงจะภาวนาได้แต่ถ้าทำไม่หยุดไม่หย่อนมันก็จะก้าวไปเองมันก็จะพัฒนาขึ้นไปเอง เพรต้องมีความสนใจฝ่รู้อยากจะเรียนคําสอนของพระเจ้าอยากจะรู้ว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรบ้างเมื่อรู้แล้วจะได้รู้จากวิธีที่ปฏิบัติที่ถูกต้องเมื่อปฏิบัติก็จะได้เกิดผลขึ้นมาเวลาไปทําบุญกับพระ ชาวต่างชาตินี่เขาสอนธรามะให้ฟังบ้างเปล่าเขาสอนเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษเนี่ยมีมีลูกศิษย์หลวงปู่ชาที่ท่านบวชที่เมืองไทยนานแล้วที่เป็นเจ้าวาดีวัดที่เมืองไทยนะคะถ้าท่านมาก็แล้ท่านก็สอนภาษาไทยเป็นชาวต่างชาติเนี่ยเรมีหลวงพ่อสมอทุทโธอ่ะหลวงพ่อ มีท่าสัญญาณอะไรนะครับก็ได้ฟังกับท่านภาษาไทยท่าจะพูดภาษาไทยไหมถ้าองค์ที่พูดภาษาไทยไม่ได้ท่านพูดภาษาอังกฤษหรือเปล่ามมีใครอยากจะถามอะไรไหมใครมีเท่าไรก็พูดได้นะวันนี้ก็ไม่ได้เทศอะไรยาวมาก เทศพอให้ถือว่าได้เทศแล้วก็แล้วกันเดี๋ยวจะว่ามาแล้วไม่ได้ฟังเทศถ้าอยากจะฟังเทศยาวๆหน่อยก็ต้องมาเสาร์อาทิตย์เพราะวันเสาร์อาทิตย์จะมีคนมามากเลยจะต้องพูดยาวหน่อยพูดมากหน่อยแต่วันธรรมดาบางทีก็ไม่ค่อยมากเท่าไหร่ก็ มีท่านล่าอะรมาอ๋อครับอดีอันนี้มาจากสกนลนครนะครับก็มาประชุมที่นี่ก็เลยฟังตามพระอาจารย์มาเสมอครับก็เลยเมยีโอกาสก็เลยแบะมาอื ม, มาไหว้พระอาจารย์ครับไม่มีอะไรอยากจะถามเลยก็จสียงก็ก็มีครับก็คือว่าฟังตามพระอาจารย์นี่จะจะชอบมากที่พระอาจารย์เทศเรื่องความอยากนะครับแล้วก็ปฏิบัติตามพระอาจารย์คือพอนั่งสมาธิแล้วมันปวด พอปวดขึ้นมาพระอาจารย์ก็สอนให้ให้ให้แยกหมันก็ว่าให้ดูความที่เราไม่อยากให้มันปวดกับความปวดที่มันจริงๆอืแล้วก็ก็ทําตามก็ก็ได้ผลดีมากครับก็อมันเหมือนตับว่ามันมันต่างคนต่างอยู่ได้อย่างนี้ยครับแต่ว่ามันก็มัก็ค้างอยู่ตรงนี้แต่มันก็ไม่เป็นวันที่อาจารย์ว่าที่มันจะวูบมันจะลงอะไรแต่ว่าสุดท้ายก็ยื้วไม่ไหวก็กลับ ออก็ต้องท<ำ>ํําทาไปเรื่อยๆทําไปบ่อยๆแล้วต่อไปมันก็จะมันก็จะปล่อยเองถ้ามันเข้าใจแล้วว่าปัญหาอยู่ที่เราไม่ได้อยู่ที่ความเจ็บอยู่ที่ความอยากให้มันหายเจ็บเมื่มันเกิดความอยากแล้วมันจะทรมานถ้ามันอยากจะทรมานก็อยู่กับมันไป ใช้าการบริกรรมช่วยก็ได้บริกรรมพุโทโธพุโทโธไปสวดมนต์ไปก็ได้ทำอะไรก็ได้ที่จะหยุดความอยากให้มันหายไปรวมถึงความไม่อยากหรือคว า, าไม่อยากก็ก็ต้องก็ต้องสู้มันเพื่อขึ้นอยู่กับกรนีไงความไม่อยากมันจะอยู่กับเรื่องที่เราไม่ชอบไงไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากตาย มันก็ตัวเดียวกันนะมันเหรียญสองด้านตัวอยากก็ไม่อยากมันก็ตัวเดียวกันเป็นทุกขเวทนานก็ไม่อยากให้ไม่อยากเจอมันถ้าเจอมันก็อยากจะให้มันหายมันก็ตัวเดียวกันนะมันก็เป็นตัวอยากเหมือนกันต้องไม่มีทั้งสองตัวต้องอยู่ระหว่างกลางอยู่ระหว่างกลางอยู่รลางวางความอยากกับความไม่อยากนี่ คือความเฉยความเป็นอุเบกขาจะเป็นอุเบกขาได้ก็ต้องมองว่าสิ่งต่างๆที่เราอยากนันไม่อยากนี้เราไปทำตามใจเราไม่ได้อยากแล้วมันไม่ได้ดังใจมันเป็นอนัตตาฝนตกแล้วอยากจะให้มันหยุดมันก็หยุดไม่ได้ฝนไม่ตกอยากให้มันตกมันก็ไม่ตกอยากไปก็เหนื่อยไปเปล่าๆสู้อยากไปอยากแล้วสบายกว่า เฉยเฉยเสียตกก็เฉยไม่ตกก็เฉยเวลาเจอทุกขเวทนาก็เฉยเวลาไม่เจอทุกขเวทนาก็เฉยคือเรามักจะอยากในสุขเวทนาไม่อยากในทุกขเวทนาเวลาไม่มีสุขเวทนาก็อยากจะให้มันสุขมันก็ทุกข์ละทั้งที่มันไม่มีความทุกข์อยู่อยู่ดีๆก็ไปอยากขึ้นมาเองทั้งที่ร่างกายก็ไม่มีทุกขเวทนา แต่อยู่เฉยๆแล้วมันเบื่อมันเซ็งอยากทํานู่นทํานี่อยากจะมีความสุขมันก็ทุกข์อะแต่ถ้าใจมันเฉยไม่อยากไม่มีความสุขก็มันก็อยู่เฉยๆได้มีความทุกข์มันก็อยู่กัมันได้อันนี้ก็จะเป็นความสุขอีกแบบความสุขที่เกิดจากความเฉยความสุขที่เกิดจากความเฉยนี่แหละเป็นความสุขแท้ เรามาฝึกทำใจให้เฉยดยการบริกรรมพุทโธพุทโธไปจเจริญสติอย่างใดอย่างหนึ่งวิธีใดวิธีหนึ่งก็ได้เพื่อให้ใจมันเฉยให้มันนิ่งให้มันเป็นการเวลามันเฉยแล้วมันจะไม่มีความอยากความอยากมันจะหายไปแต่มันจะเฉยได้ชั่วคราวพอหมดกำลังของสติมันก็จะเริ่มแกว่ง มันก็จะแกว่งไปทางความอยากไม่ไปทางซ้ายก็ไปทางขวาไม่ไปทางเพราวะตันหาก็ไปทางวิภวะตันหาภาวะตันหาก็คือความอยากวิภาวะตันหาก็คือความไม่อยา ก, กเราก็ต้องเจริญสติใหม่ให้มันกลับมาอยู่กลางใหม่หรือใช้ปัญญาปัญญานี้จะสามารถหยุดความอยากได้ถ้าพิจารณาว่าสิ่งที่เราอยากมันเป็นทุกข มันไม่ใช่เป็นสุขทุกข์พ อ, อะไรเพราะมันสุขเดี๋ยวเดียวเพราะมันไม่แน่นมันไม่ถาวรมันชั่วคราวเวลามันหมดไปก็จะทุกข์เวลาดื่มกาแฟหมดแก้วแล้วมันทุกข์แล้วเดี๋ยวต้องหาแก้วใหม่มาดื่มเวลามีกำลังเดือมนี่มันสุขพอหมดแก้วนี้แล้วเดี๋ยวสักพักก็เกิดความอยากดื่มนีมาใหม่มันก็ทุกข์แล้วถ้าไม่มีดื่ม ถ้าเราไม่ดืม่มมันก็ไม่มีความทุกข์จะจะมีกาแฟแล้วไม่มีกาแฟเราก็จะไม่ทุกข์เพราะเราไม่มีความอยากที่ดืม่มถ้ามีความอยากก็ต้องดื่มอยู่เรื่อยๆดื่มเสร็จแล้วเดี๋ยวความอยากก็โผล่ขึ้นมาใหม่ยันต้องสกัดทั้งทั้งความอยากและความไม่อยาก ด้วยปัญญาพิจารณาว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วมันก็จะอยู่ได้มันก็จะรู้ว่าไม่มีอะไรดีเท่ากับการไม่อยากหรือการการอยู่ระหว่างความอยากกับความไม่อยากคือการเฉยการเฉยนี่นะอุเบกขาสัากแต่ว่ารู้สัมผัสรับรู้แล้วก็เฉยกับมันดา่าใครดาก็เฉยใครชมก็เฉย ไม่ยินดียินร้ายจะเป็นอย่างนี้ได้ต้องมีสติควบคุมใจถ้ารู้สึกโกรธค่ะก็นั่นหละมันยินร้ายละโกรธมันก็แล้จะทำยังไงให้คุก็ทำพุทโธพุทโธเลยทำสมาธิไปถ้าทาสมาธิได้มันก็ดึงใจกลับมาจากความโกรธได้ดึงใจออกมาออกมาจากความโลภได้ มันจะต้องทาไปเรื่อยๆด้วยถ้าใช้สติเพียงอย่างเดียวถ้าใช้ปัญญานี่มันจะทำทาได้ตลอดเลยคือโกรธพ่ออะไรพราะเขาด่าเราเลยแล้วเราไปห้ามเขาได้ปะ่ะเราไปบอกให้เขาหยุดด่าเราได้ไหเราหยุดคนนี้ได้ล้วหยุดคนนั้นได้ปะ่ะหยุดทุกคนได้ปะ่ะหยุดไม่ได้หรอ ไม่ได้ดา่าต่อหน้าก็ขอดา่ารับหลังก็มีเราต้องพิจารณาว่าเรื่องของความโกรธนี่ความความการดา่านี่เป็นธรรมชาติที่เราไปควบคุมบังคับไม่ได้ไหวก็ดา่าไปเลยถ้าเราไม่มีความอยากให้เขาไม่ดา่ามันก็ไม่มีปัญหาเลยเขาอยากจะดา่าก็ปล่อยเขาดา่าไป เดี๋ยวเขาหมดเขาเขาเหนื่อยเขาก็อยู่เองอ่ะทําตัวให้เป็นเสาได้ไหมเ น, นี่ยต้นเสาเนี่ยต้นเสาเนี่ยลองไปดามมันดูเลยนั่งดามมันทั้งวันดูมันก็เฉยอะ่ะเดี๋ยวคนดามก็ก็เหนื่อยเองก็อยู่เดงแใจเราไม่เฉยใจเรามันเป็นเหมือนปุ๋ยนุ่นนมพัดมาแผ่วเบาก็ปุ๋ยก็ปิวกันละ ไม่เหมือนกับก้อนหินก้อนหินนี่พายุมาก็ยังไม่ขยับเลยเรางฝึกใจให้มันเป็นเหมือนก้อนหินเปลี่ยนจากปุยนุ่นมาให้เป็นก้อนหินวิธีทำให้มันเป็นก้อนหินก็นเนี่ยใช้สติใช้ปัญญาถ้าใช้ปัญญ า, าไม่เป็นก็ใช้สติไปก่อนพุทโธไปเรื่อย que. แล้วมันก็จะไม่สนใจกับสิ่งที่มาสัมผัสรับรู้มันก็จะเฉยได้ขั้นที่สองก็ใช้ปัญญาว่าเราไปจัดการกับสิ่งที่เรามารับสัมผัสรับรู้ไม่ได้เราจะไปสั่งให้มันดีให้มันดีกับเราอย่างเดียวไม่ได้มันมีทั้งดีมีทั้งชั่วปนกันมาก็ต้องรับมันไปรับรู้มันไปเท่านั้นเองมันทำะไรเราไม่ได้ ใจของเรานี้ไม่มีอะไรที่จะทําทําลายใจของเราได้แม้แต่ระเบิดนิวเคลียร์ก็ทําลายไม่ได้แต่สิ่งที่ทําให้ใจทุกข์ก็เพราะใจว่าความอยากของใจนี่อยากจะไปจัดการกับสิ่งต่างๆให้เป็นไปตามความอยากพอไม่ได้รําใจอยากก็วุ่นวายใจงึ้นมา แนืแต่ความตายของร่างกายก็ทําลายใจไม่ได้ร่างกายตายไปใจก็ไม่ได้ตายไปกับร่างกายแล้าใจไปวุ่นวายกับมันทําะไรไปวุ่นวายกับเรื่องราวต่างๆใจก็ยังเป็นใจเหมือนเดิมไม่มีวันเปลี่ยนแปลงใจเป็นผู้รู้ผู้คิดไปเรื่อยๆเองแต่ไปคิดในเรื่องที่มันทําให้ใจทุกข์เท่านั้นเองต้องมาแก้ความคิดให้คิดไปในทางที่ทําให้ใจไม่ทุกข์ ก็ให้ค <point ing> ิดว่าทุกอย่างไม่ใช่เป็นของเราทุกอย่างไม่เที่ยงเราอย่าไปอยากให้มันเที่ยงอย่าไปอยากให้มันเป็นของเรามันก็ไม่มีปัญหาละแค่นี้สองตัวง่ายๆอย่าไปอยากให้มันเที่ยงอย่าไปอยากให้มันเป็นของเราแล้วมันเป็นอะไรเราจะไม่ทุกข์กับมัน แต่มันต้องสอนใจอยู่เรื่อยๆตลอดเวลาทุกลมหายใจเข้าออกจนกระทั่งมันเป็นนิสัยขึ้นมาตอนนี้นิสัยของเราอยากให้ทุกอย่างเที่ยงอะไรที่เราชอบนี่อยากจะให้อยู่กับเราไปนานๆเป็นนายกก็อยากจะเป็นไปนานๆเป็นประธานาธิบดีก็อยากเป็นไปนานๆเป็นเศรษฐีก็อยากจะเป็นไปนานๆแต่ไม่มีอะไรนานหรอกในโลกนี้ ร่างกายนี้มันอย่างมากก็ร้อยกว่าปีเอีนี้คนอายุสูงสุดนี่อายุเท่าไหร่รู้หมร้อยสิบหกปีแต่ไม่รู้เรื่องแล้วเหมือนกับคนไม่มีสติสตังมีแต่ร่างกายทำอะไรเองไม่ได้จะมีอายุยานไปเทินขนันทาไม างานการนี้ไม่ใช่ของเรามันเป็นของสับปเปล่าเดี๋ยวสับปเปล่าก็มาขออคืนไปแม้แต่พ่อแม่พี่น้องสามีภรรยายังไม่อยากเก็บไว้เลยเห็นไหะพอไม่มีลมหายใจแล้วยกให้สับปเปล่าหมด ย, ยกให้ง่ายได้ง่ายกว่าการไปสู่ขอแต่งงานเลยการสู่ขอต้องมีสินสอดทองมั่นอะไรกันอันนี้ยกให้สัปะเปล่าแบบฟรีๆเลย แถมเงินให้ด้วยร่ <laughs> างกายอเรามันวิเศษตรงไหนพิจารณามันดูสิเวลาตายไปแล้วมีใครก็อยากจะเก็บไว้ไหมอย่าหลงวอามันไปทุกข์กับมันทำ ไ, ไมร่างกายมันมีประโยชน์ตอนที่มีชีวิตอยู่นี่เท่านั้น แล้วก็มีประโยชน์เอามาปฏิบัติทำแ้นั่นเองเอาไปทำอย่างอืง่นก็ไร้าสาระเป็นเรื่องไร้าสาระไปเล่นไปกินไปเดินมันก็ไม่ได้อะไรไม่ได้ทําให้ใจสบายใจสุขกับทำให้ใจทุกข์ขึ้นมากถ้าเอามาปฏิบัติ ท, ทาแล้วนีน่ใจจะสบายจะโล่งจะเย็นจะสุขเนาะสุขเนาะไปเรื่อย นะนี่แหละคือเนะคือสิ่งที่เราควรจะเอาร่างกายมาทำกันเอามาศึกษาทำเนี่ยอย่างวันเนี้ยมาฟังเทศฟังธรรมเรียกว่าศึกษาธรรมศึกษาแล้วก็ไปไปถือศีลแปด ก, กันวันนี้ไปภาวนากันอย่าไปภาวนอน <c oughs> อยนี้ไม่ต้องกินข้าวเย็นไม่ต้องเปิดทีวีดูไม่ต้องเปิดตู้เย็นล็อกตู้เย็นไว้เลย ดื่แต่น้ำเปล่าอย่างเดียวเราก็นั่งสมาธิจเจริญสติพิจารณาทางปัญญาไปล้วมันจะทำให้ใจเรานี่ดีขึ้นไปเรื่อยๆขัดเก่าจิตใจของเราใจเราเหมือนเป็นเพชรแต่เป็นเพชรที่เพิ่งออกมาจากโคลนจากตมเราเอามาชำระเอามาทำความสะอาดเอามาขัดเอามาเจราาิญในเดี๋ยทำเสร็จแล้วเป็นเพชร น, น้ําหนียะใจของพระพุทธเจ้า ใจของผ้าอาหารหนนี่ก็เป็นใจของเราเหมือนกันเป็นใจเหมือนกันเป็นเพชรเหมือนกันเพียงแต่ของเรายังไม่ได้รับการชำระยังมีขี้ฝุ่นขี้ดินติดอยู่ยังไม่ได้มาขัดมันเจีรนายมันมันยังไม่ส่งความเป็นประกายของมันออกมาเราต้องมาเจีรณายใจของเราด้วยการศึกษาด้วยการปฏิบัติ ไม่นานมันก็จะกลายเป็นเหมือนของพระพุทธเจ้าไปพระพุทธเจ้ารับรองแล้วว่าเจ็ดวันก็ได้บางคนทำเจ็ดวันวนันเองบางคนก็เจ็ดเดือนบางคนอย่างมากก็ค่าเจ็ดปีถ้าไม่มีพระพุทธศาสนาจะไม่มีทางที่จะทาได้เพราะไม่มีใครสอนไม่มีใครรู้จักวิธีเจียรนาใจของเราให้เป็นเพชรน้ำหนึ่งขึ้นมา นอกจากพระพุทธเจ้าเพียงองเดียวชาตินี้เป็นชาติที่วิเศษสำหรับพวกเราที่มีคนมาสอนวิธีเจรไนใจของพวกเราให้เป็นเพชรน้ำหนึ่งขึ้นมาถ้เาเรารีบตักตรงประโยชน์นี้นะว่ามันตายไปแล้วกลับมาเกิดใหม่มันอาจจะไม่มีใครมาสอนให้เราเจรานแล้วนะ ก็ดูคูบาอาจารย์ต่างๆตายไปแล้วท่านตายเป็นพระธาตุรับรองรับประกันยืนยันคำสอนพระเจ้าว่าเป็นของจริงปฏิบัติแล้วจะได้ผลไม่มีชาติไหนที่จะมีอย่างนี้มามามายืนยันมารับประกันมังกลับไปซื้อของนี่บริษัทที่ขายของให้เรานี้รับประกัน คุณภาพร้ออ็ถ้าไม่เป็นไปดังที่เขาโฆษณาคืนได้เลยมีความมั่นใจซื้อได้เลยไม่ผิดหวังแน่นอนจองคอนโดเขาสร้างเสร็จแน่ๆไม่จอดจองไปแล้วก็หายตอมไปเลย ดันเอามาเอาชีวิตนี้มาใช้ให้เกิดประโยชน์กับใจเอามาเจรในด้วยการศึกษาด้วยการปฏิบัติด้วยการบรรุุธรรมนะคิดว่าพอสมควรจะให้พอนะอยาถาวาริวาหาปุราตาริปุเรนติสาคารัง เอวเมวะอิโตชินังเปตานังอุปกาปติอิชิตังปฏิตังตุมหังทิปเมวะสนิจจตสัเพปเรนตุจังกะปาจันโทปนะระโสยทามนิโชติระโสยทัสสพิติโยวิวัชานตุสภโรโควินาสัตว มาเตผวะตวันตรายูสุขีทีขาโยโกภะอภิวาทานัสสีลิสานิจังวุฒาประจายโนจตาโรธรรมวาทานติอายุวันโอสขุขางพาลางหนังสือสีดีที่แจกนะใครต้องการก็เชิญหยินได้ เอาไปอ่านนะอย่าเอาไปแจกนะ ช, ชอบไปแจกกันไม่ชอบไปอ่านเนะี่ยมันก็ดีทางโลกอ่ะภาษาอังกฤษก็ได้ไปเรียนรู้วิชาความรู้ต่างๆสามารถกลับมาทาหากินได้เงินได้ถอนแต่พอมาเรียนทางธรรมภา ษ, าษาไทยดีกว่า ปอสี่ <c oughs> ใช้ปอสี่นี่ดีกว่าเปียนปอี่กอ่านหนังสือธรรนะของครูอาจารย์แต่ใหม่ๆก็อ่านไม่เข้าใจนะเ <c oughs> รอใส่ตอนเล่น อ, อ่านหนังสือธรรมะใหม่ๆนี่ต้องใช้อ่านภาษาอังกฤษต้อง <c oughs> พอดีได้หนังสืเอเล่มแร ก, กเป็นภาษาอังกฤษอยากศรีลังกาแล้วพอได้เล่มแรกสนใจก็เลยเกณฑ์จดหมายไปขอมาเพิ่มมาอ่าน บางเล่มเขาก็าขายบางเล่มก็เขาก็แจกฟรีก็ซื้อมาอันไหนซื้อต้องซื้อก็ซื้ออันไหนก็อ่านอยู่หลายเล่มจนจับจับวิธีการปฏิบัติได้ก็เลยพนั้นทํางานอยู่ก็เลยลาออกจากงานอยากจะบัปฏิบัติเต็มที่ปฏิบัติที่บ้านไม่เคยเข้าวัดนเรียนหนังสือเรียนธรรมะเองอะพอแถวบ้านมันไม่มีเรื่องอย่างนี้แต่วัดก็มีแต่สวดมีแต่สวด สดวก็ฟังไม่เข้าใจกันเป็นภาษาบาลีกันต้องชาสายภาษาอังกฤษอ่านแล้วเข้าใจง่ายกว่าอ่านภาษาไทยเพราะภาษาไทยนี่ศัพท์มันมันมันมันมีหลายความหมายบองทีอ่านแล้วงงเวทนานี่มันหมายถึงตัวไหนกันแน่เวทนามันมีหลายความหมายหลายอย่างสัญญาก็มีหลายความหมายสัญญาสัญญาอะไรสัญญา ทำหนังสือสัญญาเลยหรือว่าสัญญาเล ย, โ อ, ยโอ้ยมันอ่านภาษาไทยก็งงเลยแล้วยังมีราชาศัพก็มายุ่งเลยเพราะนี่นพระกันพระอะไรเข้ามาต่างๆางอ่านแล้วฟังไม่เข้าใจอ่านแล้วก็ไม่ฟังไม่อ่านดีกว่าปวดหัวแต่ภาษาอังกฤษนี่มันแปลตรงตัวเลยแรลชัดชัดเลยเมตนาคือความรู้สึกมันก็ e e ลิ n g ไปเลยสังขารนี่ก็งงเลย สังขารเราใช่หลายหลายความหมายสังขารร่างกายหรือสังขารความคิดปรุงแต่งในในธรรมะเขาหมายถึงความคิดปรุงแต่งสังขารในขานห้าร่างกายเขาไม่เรียกสังขารเขาเรียกเขาเรียกรูปก็เป็นฟอร์มแล้วก็เฟลลิ่งแล้ว mental formation ใช่ไหมใช่ภาษาสังกฤ็งแล้วมันชัดเข้าใจเลยว่ากำลังหมายถึงอะไร ถ้าภาษาไทยนี่ยมันง ง, งก็ได้อาศัยฝรั่งเนี่ยมาสอนธรรมะให้กับเราเขาก็แปลงาษาพวกนี้ออกมาจากพระไตรปิฎกอีกทีเขาก็คัดเอามาเป็นเรื่องๆเรื่อ ง, องตายรักเขาก็ามาไงทำเป็นเป็นเรื่องของตายรักอานิจจังอันนี้นนทุกขังอนัตตาแล้วก็เอาข้อมูลเกี่ยวกับที่แสดงไว้ในพระไตรปิฎกมาเรยวบรวมด้วย อยู่ในเ น, เนื้อหาสาระอันเดียวกันข้ออันเดียวกั น, อ, น, น, นก อ, อ, อันนี้มนะันก็เข้าอเข้าใจอ่ะเราันได้ไหมมีอะไรไหมหนูไม่มีจะมาค่ะ นะคะพุทธโธแล้วมันไม่สนุกมาเป็นอาทิตย์แล้วค่ะพุทธโธก็แล้วอาการ32ก็ได้อาการ32ผมกนเล็บฟันหลังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหัวใจตับทั้องผใต้ก่อดใช่หยาได้น้อยต้องให้ครบ32อาการท่องไปข้างหน้าแล้วก็ท่องถอยหลังครับท่องถอยกลับก็สี่วันก่อนหน้านี้มันก็แบบยิ่งพุทโธแล้วมันเหมือนมันเหมือนหายไปเลยแล้วมันก็แบบ มันวางเรื่องอื่นที่ยังวางอยู่ไม่ได้มันก็ไม่สนุกเลยแล้วดูร่างกายก็ได้วันมมันก็เวลาร่างกายทําอะไรก็เต้าดูร่างกายเวลาเดินก็ซ้ายขวาซ้ายขวาเวลาแปรงฟันก็อยู่กับการแปรงฟันเวลาล้างหน้าก็อยู่กับการล้างหน้าเวลาทําอะไรก็ให้อยู่กับงานที่เราทําอยู่ไม่ต้องคุยโทก็ได้ให้ใจอยู่ในปัจจุบันอย่าไปคิดเรื่องนั่นเรื่องนี้คนนั่นคนนี้สิ่งนั่นสิ่งนี้ ใอ้หกับเรื่องที่เรากำลังทำทำอย่างนี้ไม่ว่าผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นก็ดูหรือจะสวนวนอาลังสัมมาสวักขาโตไปก็ได้เพื่อหยุดความคิดกรุงแต่งนั่นเองแล้วก็ในเวลานั่งสมาธิมันมันเหมือนรู้สึกถอยหลังเพราะปกติหนูรู้สึกหนูทํานั่งได้สองชั่วโมงแล้วพอมันเจอเจ็บมันก็ยังมีสู้กันได้แต่ตอนนี้เจ็บแล้วมันก็แบบเหมือนคนจนแล้วอยากได้ของแล้วมันซื้อไม่ได้คือมันไม่มีสติเพราะมันพุตโธไม่ได้ ก็ไม่เ้าไม่สนใจและมันสู้ได้ก็สู้มันเป็นพักังบางช่วงมันก็อ่อนบางช่วงมันก็แข็งตรงนี้จสู้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวรอให้มันมีกําลังใจเดี๋ยวมันก็สู้สู้ขึ้นมาหตอนใหม่ๆมันศัทธาแรงพออยู่ไปนานๆเข้ามันก็มันค่อยมันค่อยเสื่อมแล้วพระสาวที่พรอาจารย์เทศหรือว่าทาง ที่จะไปแบบพระพุทธเจ้ามันต้องเป็นรถโฟล์วิวหนูก็คุยกับพี่คนหนูเหมือนจั ก, กรยานสองล้อเลยเ<อ>หนูก็เป็นเรือด<อ><อ>ที่นอนออกนอนพื้นธรรมดาออ <laughs> อะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็นอนเยอะอยู่ดีเราต้องเข้มงวดขัดฉันอย่าอย่าขี้เกียจแต่อย่าอย่าท้อแท้ถ้ายังทําไม่ได้ก็ทําเท่าที่ทําได้ไปก่อนกาบางทีมันก็มันนี่ขึ้นมีลงบางทีก็แรงเยอะก็ไปง่ายบางทีก็แรงน้อยก็ไปายาก ก็ให้รู้ทําตามที่ทําตามปัจจุบันเนี่ยมันจะปัจจุบันทนําได้เท่าไหร่ก็ถามขอให้อย่าเลิ ก, ท, ก ท, <า>ทําก็แล้วกันทํามากทาน้อยก็ไดแต่มันทําแล้วมันไม่สนุกเหมือนเมื่อก่อนเลยเอ อ, อย่าไปอย่าไปอยากสนุกก็อยากสนุกมันก็ทุกข์ทําไปทําตามหน้าที่สนุกไม่สนุกถึงเวลาก็ทําไปแล้วก็มีพี่คนปากถามอะคะ่ะเขาบอกว่านั่งไปแล้วพอเป็นสงบแล้วเขาก็ดูลม เขดูลมไปสักพักแล้วมันรู้สึกมันเพลินมันมีความสุขแต่ว่าลมมันไม่หายไปเพียงแต่ว่าลมมันเบาลงเหมือนลดเปลี่ยนเกียร์ก็ดูไปเรื่อยๆแต่สักพักเขาบอกว่าพอมันเริ่มรู้สึกรู้สึกเจ็บรู้สึกเจ็บพอลมเอาไม่อยู่เขาก็มาคุดโทต่อได้พอพูดโทต่อไปสักพักเขาก็รู้สึกว่ามันโอเคแล้วก็เริ่มนิ่งแล้วก็เริ่มจับลมต่อมันก็จะเป็นแบบเดินคือมันก็ลมไม่หายแต่ว่ามันก็ลดเปลี่ยนเกียร์ไปก็ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆมันก็สลับ กันสลับอยู่ก็ต้องก็ทําไปเรื่อยๆตามอาการของมันตามไปเรื่อยๆก่อนแล้วเดี๋ยวมันก็จะมีกําลังมากขึ้นไปอถ้าเจ็บก็ช่างมันก็คือทําถ้าทําถ้าทําก็ไม่เป็นไรถ้าอย่าถ้าเลิกทำก็ไม่ดีทําไปเรื่อยๆลุกก็ไม่ดีผลผนจะได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ไม่ไม่จําเป็นัะต้องได้ทุกครั้งเลยทางนี้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรก็เหมือนกับว่าแลงเขาําเรามากเขายังมากกว่าเราอยู่เรายังปั้มเขาไม่ลง ไม่หลมบางทีเขาปั้มเราอะแต่อย่างนี้แหละมันก็มีผัดจรนรูปผัดกันรับนะแต่สถิติมันแพ้เนาะมันแพ้มากกว่าฉันนะแล้วก็ต้องฝึกสติให้มากขึ้นเวลาไม่ได้นั่งก็ต้องฝึกสติอยู่ตลอดเวลาแล้วก็มีแม่ชีที่เคยมากราบจันเขาโทรมาฝากถามค่ะว่า มีช่วงหนึ่งที่เขามาฟังเทศทุกเสาร์อาทิตย์พ <c oughs> อกลับไปแล้วเขาบอกว่ามันรู้สึกแห้งเหี่ยว <c oughs> ทั้งๆที่สํานักเขาก็โอเคสับสถานที่สับปายาบุคคลสับปายะทุกอย่างดีหมดเพียงแต่ว่าเขาบอกว่ารู้สึกว่ามันแห้งเหี่ยวมันปฏิบัติไปแล้วมันแห้งเหี่ยวไม่มีกำลังให้อ่านต้องเสียธรรมะเลยหรือฟังเทศวันละชั่วโมงฟังทุกวันอ่านทุกวันจะช่วยให้มีน้ํำหล่อเลี้ยงจิตใจอืม เวลาได้ฟังเทศได้อ่านหนังสือธรรมะของครูบาอาจารย์มันจะเกิดกรลังจิตกำลังใจขึ้นมามันจะฮึดสู้ขึ้นมาเหมือนปลาได้น้ำงั้นควอ่านหนังสือทุกวันหรอือ่อ่านหนังสือธรรมะแล้วฟังเทศทุกวันวันนั้นเลยแล้วก็ คือทำงานทางโลกเนี่ยเขาก็วัดผลคือผลสำเร็จผลของงานนะคะผลประกอบการของบริษัทคือผลสำเร็จแล้วถ้างานทางธรรมเอาอะไรเป็นตัววัดะอะค่ะถ้าถ้าจัดเรายังรักษาศีลยังภาวนาอยู่แล้วก็มีผลงานอะไรการได้ปฏิบัตินี่ก็ถือเป็นผลงานอันหะนึ่งการถือศีลแปดได้นี่ก็เป็นผลงานอันหะนึ่งเลขอยายหครับ <c oughs> ถ้าเลิกปฏิบัติมหลายก็หมดทงงานมา้นี <c oughs> น่ยแล้วเลิกไม่ได้